เพื่อนที่เคารพค่ะนี่คือรายการสันสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจริมพระเกียค่ะ<อ>เราพบกับท่านวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เนื้อาหานั้นอัดแน่นด้วยสาระเวลาถ้าดิฉันจะพูดกับเพื่อนๆสนิทๆกันดิฉันจะบอกว่าต้องฟังรายการสันสนิสนทนาวงเ็บ ก, กับพระนะคะเพราะว่าไม่ได้สนทนากับคนอื่นนะคะ เพียงแต่เรื่องที่มาสนทนาเนี่ยหลายเรื่องทีเดียวจํานวนมากเป็นเรื่องที่มาจากท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการนั่นเองวันนี้เราก็มาพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนผู้ที่จะนําเอาพุทธวัจนะหรือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ทั้งธรรมและวินยัยมาให้ความรู้ในการตอบคําถามกับเราในรายการนี้นะคะนมัสการกับท่านคะ่ะเชิญ บ, บานค่ะก่อนที่จะไปฟังอย่างอื่นต่อไปอืเราต้องเกิดนนิดนึงว่า วัดป่าดอนหายโศกของท่านภับูลมีศูนย์พักพิงเดี๋ยวค่อยประกาศให้ทราบรายละเอียดเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> เพียงแต่ว่าคน mm hmm. ที่จะไปพักพิงในตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประสบภัยจากน้ําท่วมจําได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ถามคําถามมา mm hmm. ในวันแรกแล้วก็ท่านก็ได้เมตตาตอบไปส่วนใหญ่แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าส่วนคําถามที่เขาถามว่าไอ้ที่บ้านจู่ก็น้ําท่วมกระทันหันรถจมไปเลยสองคันไม่คิดว่าจะเจอก็ต้องมาเจอ เจอร่วมกับคนอีกเป็นเรือนร้าน ม, มันเป็นกรรมเก่าก <ำ S 2> หรือไม่<ะ>อันนี้บุรีชาติตรัสไว้แล้วแต่หมายความว่าสุขทุกขที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเงี้ย เ, เรามีความสุขเรามีความทุกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่หลายอย่างนนหนึ่งในอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นผลของกรรมเก่าที่เราได้สร้างขึ้นหรือ อ, อาจจะเป็นเหตุแห่งอุตคุคือดินฟ้าอากาศหรือจะเป็นเหตุแห่งการเตรียมตัวนะไม่ถูกต้องหรือถูกต้องก็ได้ หรือจะเป็นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นได้ทั้งนั้นเลย mm hmm. มีหลายอย่างอย่างสมมติว่าอาจมาวิ่งขึ้นชั้นสิบอย่างเงี้ยชื่นทางบันไดวิ่งขึ้นมาเลยเร็วมากขึ้นไปถึงปุ๊บรู้สึกเหนื่อย เ, อเหนื่อยแล้วเรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่พอใจอแล้วไอ้ที่เราเป็นทุกข์ไม่พอใจที่เกิดจากการวิ่งขึ้นมาในี่ใครทําเราทําเองอันนี้ไม่ใช่กรรมเก่าใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนหนึ่งว่าสุขทุกข์เนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยนะมันจะเป็นมิจฉาทิฐิ ที่ทําให้คนเนี่ยไปคิดว่าเอ้ยงั้นฉันก็ไม่ต้องทําอะไรละในในชาตินี้ฉันไม่ต้องทําอะไรฉันรอคว <c oughs> ามกรรมเก่าอย่างเดียวนะ <c oughs> เขาก็จะไม่มีการแก้ปัญหาจะไม่ได้ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติตามศีลให้ทานจเจริญภาวนาอย่างนี้นะแต่ <c oughs> ถ้าบางคนไปเชื่อ ว, ว่าเฮ้ยกรรมเก่าไม่มีอันนี้อยู่ๆก็เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งอะ่ะเขาก็จะไม่ทําอะไรเลยเราไม่ทําอะไรที่จะสร้างกรรมให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ผลดีในอนาคตอย่างนี้นะ <Okay. S 2> คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนมากนะคุณยมติ๋วถ้าเราบอกว่าเป็นกรรมเก่านะเพราะฉะนั้นมันมันจะมันจะไม่ถูก mm hmm. เพราะฉะนั้นสําหรับบางคนสมมุติคนเกิดขึ้นเป็นล้านล้านคนอย่างเงี้ยเจอประสบวิบากกรรมนี้ประสบเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะบพูดอย่างนี้ได้ว่าสําหรับบางคนเนี่ยจะเป็นกรรมเก่าสําหรับบางคนเนี่ยก็จะเป็นแค่ผัสสะของเขาเฉยๆนะ เพราะฉะนั้นเราจะแยกยังไงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเรามาพิจารณาตรงนี้ที่พระเจ้าพูดถึงอย่างพระอาหารหันเนี่ยน ะ, ะเป็นบุคคลที่กรรมเก่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูคำว่ากรรมเก่าเนี่ยคืออะไรพระเจ้าจึงอธิบายคำว่ากรรมเก่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อาการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะอันนี้คือกรรมเก่าพระอาหารหันเนี่ยจะ สิ้นกรรมเก่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่รู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆแล้ว oh. นึนกอกไหมคือจิตเนี่ยไม่มีจิตดับไปแล้วในเมื่อจิตดับไปเนี่ยอะไรอะไรที่มันมาโดนท่านเนี่ยนะก็ทําอะไรจิตท่านไม่ได้นี่คือกรณี <Okay. S 1> ของพระอาหารหันต์ยกตัวอย่างพระหมหาโมคละณะอย่างเงี้ยตอนก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยถูกพวกโจรใช่ไหมมาทุบต <Okay. S 1> ทีทําร้ายจนกระทั่งกระดูกเนี่ยแตกละเอียดอย่างเงี้ยนะถามว่าในขณะนั้นเนี่ยกรณีที่ถูกท่านถูกตีเนี่ยนะ เป็นกรรมเก่าที่เกิดจากการที่ท่านเคยไปทํามาตุฆาปิตุฆาแต่นะคือฆ่าบรดาค่าบิดาใช่ไหมถามว่าตรงนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นคือท่านถูกตีแ ต, แต่การที่ท่านถูกตีเนี่ยท่านไม่ได้มีความรู้สึกคือพ้นจากกรรมตรงนี้คือจิตอของท่านเนี่ยไม่ไปสะเทือนกับเรื่องนี้ไงใช่ไหมแต่ว่าถูกกระทําไหมถูกกระทําค อ, อ, อทีนี้ถ้าสมมติว่าจะอธิบายว่าหากมีความรู้สึก รู้สึกต่ออารมณ์อสมมุตริรู้สึกต่ออาการเหรอคะทายงในภาษากระทบอย่างถูกตีอย่างเงี้ยใช่ความเจ็บเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไหมคะความเจ็บเป็นสัญญาความเจ็บเป็นความหมายรู้สมมติมีคนมาตีอาตมาใช่ไหม <c oughs> อาตมา จ, จะสัมผัสก่อนสัมผัสซึกซึกซึกอย่างนี้ตรงแขนตรงตรงตรงข า, ยงงงขายอย่างเงี้ยอ๋อ <c oughs> มันเป็นการถูกตีหรือว่าอาจจะเป็นการถูกกัดหรือจะเป็นการถูกทุบมันจะมีความ สัญญาไม่เหมือนกันคือภัสสะที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นภัสสะ ท, ทำให้เกิดสัญญาไม่เหมือนกันใช่ไหมความรู้สึกเจ็บจึงเป็นเพียงแค่สัญญาความรูซึกยังไ ม, ไม่ใช่อารมณ์หรือเปล่าคะถ้าดิฉันจะพูดประโยคนี้ถูกไหมอ อ, อารมณ์เนี่ยเกิดจากการที่มีสัมผัสเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นไอเวทนากับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันเวทนาคือคือพอมีสัญญาว่าเจ็บใช่ไหมบางคนเจ็บแล้วชอบบางคนเจ็บแล้วไม่ชอบ อ, อ๋อเจ็บแล้วชอบก็ไม่ไม่ใช่ว่าลำพังแค่ มีสัญญาหมายรู้ว่าเจ็บเท่านั้นแต่ต้องตอบมนด้วยเวทนาคือชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยใช่ใช่อันนี้ต้องเขียนเป็นหลักเป็นสูตรคณิตศาสตร์เลยอย่างบางคนน้ำท่วมคุณไปสัมภาษณ์เลยน้ำท่วมแล้วเฉยเฉยมีไหมมีมีค่ะมีคนแถวบ้านดิฉันค่ะพวกเราก็ทำรั้วกันทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะไม่ให้น้าเข้า ขับรถผ่านไปมาเดินผ่านไปมาถามว่าทําอะไรกันทํายังไม่เสร็จอีกหรอดิฉันก็ถามไม่ใช่ดิฉันนะคะคนที่บ้านถามว่าแล้วไม่ทําอะไรเลยหรอไม่ไล่เฉชิวชิวสบายใจไม่ใช่คนนะคะก็ก็เป็นอย่างเงี uh ้ยแหละคือน้ําท่วมคือสัญญาใช่ไหมน้ําท่วมคือสัญญาเขาจะมีความรู้สึกยังไงล่ะเขาจะรู้สึกเฉยเรู้สึกสบายใจอย่างนักธุรกิจที่เขาขายของได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกดี นะคนที่ถูกน้ําพัดพาไปบ้านเรือนเสียอาจจะรู้สึกทุกข์นะคนที่เฉยๆก็มีมันมีทุกแบบอ่ะค่ะนะคะแต่เดี๋ยวขโมดเรื่องของกรรมเก่านิดนึงก็เรียนถามท่านไปว่าคนที่เข้าประสบอุทภัยครั้งเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกเอ้เราก็ไม่ได้ทุกคนเดียวมีคนอื่นเหมือนเรา ม, มันเป็นกรรมเก่าของพวกเราหรือเปล่าถ้าอาจารย์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวกรรมเก่า ม, มันก็มีแปลว่ามีใช่ไหมคะมีสำหรั บ, บทุกกรณีใช่บางกรณีก็เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เรียกว่าเป็นอุตุหรือเรื่องการเปลี่ยนตัวเรื่องของความถูกต้องไม่ถูกต้องและท่านกอธิบายว่ากรรมเก่าคืออาการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์มพระอรหันต์นั้นไม่รู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆแล้วคือมีมีเกิดขึ้นมี เขาเรยมีภัสสะที่นําไปสู่การเป็นอารมณ์เกิดขึ้น uh huh. แต่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ท่านไม่ได้รับความกระทบหรือไงคะคือว่าใจเนี่ยไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นคือก็จะมีพระอรนสองประเภทนะคือพระอรนที่ยังมีความรู้สึกต่อเบทนาความรู้สึกอยู่กับพระอรหนที่ความรู้สึกนั้นดับเย็นไปแล้วทีนี้อย่างพระอรหันที่ยังมีความรู้สึกอยู่เนี่ยสมมติถูกตีเจ็บไหมเจ็บเจ็บนี่เป็นสัญญานะชอบไหมอาจจะไม่ชอบไม่ชอบแล้วไง ดับไปได้ดับได้เดียวนั้น <Okay. S 1> ความไม่ชอบเนี่ยจะไม่มาค้างอยู่ในจิตแล้วก็กลายเป็นความยึดถือกลายเป็นความด่ากลับจะไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับพระร <Okay. S 1> อรหันตเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติเราผู้ฟังธรรมะอย่างเงี้ยเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจ <Okay. S 1> หรือว่าความกลัวความกังวลเกิดขึ้นจะจะทำยังไง นะก็คือต้องทําแบบที่ผู้เชี่ยวสอคือปล่อยวางอันนี้มีเรื่องที่ผู้หลีกเลนคนหนึ่งเข้ามาลีกเลนที่วัดป่าดอนไทรศกจะเล่าให้ฟังคะ่ะคือตอนนั้นช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมช่วงๆประมาณกลางเดือนตุลาคมนี่แหละนะที่มีหลักสูตรการหลีกเลนใช่ไหมแล้วช่วงนั้นก็เกิดน้ําท่วมแล้วเนี่ย<ะ>ก็ผู้หลีกเลนคนนี้เป็นผู้หญิงเขาก็ได้รับโทรศัพท์คือหมายถึงว่าทางญาติเนี่ยโทรศัพท์มาที่วัดบอกว่าบ้านน้าท่วมแล้วให้รีบกลับมาโดยด่วนคะ่นะทางวัดก็เลยบอกกับคุณผู้หลี้ ตอนนั้นวันที่5แล้วคุณยมติว๋วเราก็แจ้งให้เขาทราบว่าเออที่บ้านถูกน้ําท่วมแล้วนะญาติโทรมาบอกนะเข้าของต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บแล้วล่ะหรือยังไม่เก็บก็ไม่คือเก็บแล้วส่วนใหญ่เก็บแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่โรงแรมกันนะเราก็แจ้งข้อมูลนี้ให้ผู้เรียนผู้นี้ทราบผู้เรียนผู้นี้ก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านล่ะกลับบ้านเพื่อที่จะไปเก็บข้าวเก็บของดูซิว่าเขาเก็บเรียบร้อยไหมอะไรเรียบร้อยไหมนะอ่าอัดมากับหลวงพ่อ ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นแจ้งข้อมูลอะไรให้เขาทราบซึ่งมันเป็นวันที่ห้าของการปฏิบัติแล้วคุณหยุมติวอีกสองวันมันจะหมดแล้ว เ, เราก็เลยชี้แจงให้เขาทราบว่าถ้าสมมุติว่าเอางี้สมมติว่าตอนนี้คุณตายไปแล้วนะคุณตายคือเขามีความห่วงมากนะบ้านของเขานะกัะงวลว่าอะไรจะเป็นยังไงไหมเราก็เลยถามก็ว่าถ้าตอนนี้คุณตายไปแล้วเนี่ยสมมุติคุณตายไปแล้วนะคุณจะทํำยังไงข้าวของก็จะไปที่ไหนแล้วก็จะทํำยังไง เขาก็มานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งนะคุณโยมติวแล้วปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกโอ้ปรากฏว่าน้ำตาเขาไหลออกมาแล้วโดนเสื้อดังป๊อกขึ้นมาอย่างนี้นะก็เลยคือเขาก็ไม่กลับละเพราะว่าถ้าเขาบอกอาตมาอย่างนี้บอกกัหลวงพ่ออย่างนี้ว่าถ้าตอนนี้ดิฉันตายไปเนี่ยนะของทุกอย่างเขาก็จัดการกันได้อยู่แล้วนี่แล้วไม่เห็นมีอะไรตอนนี้เราก็เหมือนตายไปแล้วนะคือในช่วงเจ็ดวันนี้เราไม่สื่อสารกับใครนะ ถ้าไม่มีโทรศัพท์อะไรต่างก็ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเขาก็คงเก็บข้าวของกันได้แล้วเดี๋ยวจบอ่าแล้วหมดหลักสูตรลิกเกแล้วฉันค่อยกลับไปก็ได้ว่าอย่างนั้นค่ะคือเขาเห็นตามที่เป็นจริงได้คุณโยมติว๋วเพราะว่าอะไรเพราะจิตเขาเป็นสมาธิ เพราะเขาปฏิบัติสมาธิอยู่ตั้งห<า>้าวันแล้วใช่ทำให้เขาเห็นสภาพตามที่เป็นจริงว่าโอ้ยถ้าฉันตายไปตอนนี้จริงๆนะข้าของคนอื่นเขาก็เก็บได้อยู่ดีของที่อยู่ในเซฟเขาก็จะรู้ว่าเอาไปเอาที่ไหนพาสปอร์ตเอกสารอะไรต่างๆเราก็ได้สั่งเขาไว้ก่อนแล้วที่เขาจะมาก่อนที่เราจะมาเราจะไปกลัวอะไรอย่างเงี้นะท่าคุณบุญคะ่ะมันก็เลยมาถึงคาถามใหม่เลยแล้วก็เป็นคาถามที่ผู้ที่สนใจปฏิบัต รู้สึกปิ๊งมาทันทีห้าวันนี้รู้เรื่องเลยเหรอ <c oughs> จิตเป็นสมาธิได้เลยเหรอ <c oughs> สมมุติคนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยคะ่ะท่านคะห้าวันนี้มีโอกาสไหมคะโอ้ยคุณยมติวอทย์พูดแต่ห้าวันเลยเรียนวันนี้พรุ่งนี้ได้ก็มีอมเรียนเดี๋ยวนี้อีกถัดมานิดนึงได้ก็มีอันนี้พระเจ้าสอนนะ น, นี่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกงี้บอกว่าเธอผู้เป็นพิญญูชนเนี่ยไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติอย่างคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่ปฏิบัติ เมื่อเราแสดงทำอยู่เธอปฏิบัติเธอฟังอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้เนี่ยไม่เกินเจ็ดเดือนนะไล่ลงมาเจ็เดือนเป็นหกเดือนห้าเดือนไล่มาจนถึงเจ็ดวันนะสามวันสองวันหนึ่งวันหรือว่าบอกคืนนี้พรุ่งนี้ได้มีอืมค่ะดูเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้มีคุณสมบัติของผู้ที่จะจะบรรลุธรรมได้ใช่ใช่ใช่ ประการแรกในกี่วันนะคะที่บอกว่าเธอผู้เป็นวินยูชนไม่อ้อวดไม่มีมารยาค่ะยาวที่สุดนี่เจ็ดเจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ไล่ลงมาเหลือเจ็ดวันไล่ลงมาเหลือหนึ่งวันบอกเย็นได้ชา้าบอกเช้าได้เย็นบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีคือเป็นวินยูชนเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่พอรู้เรื่องอะไรบ้างไม่ใช่คนหนาๆแต่เป็นคนที่พอรู้เรื่องอะไรบ้างน ะ, ะไม่อวดไม่มีมารยามีสัญชาติเป็นคนตรง คุณสมบัติอย่างนี้เป็นคนตรงไปตรงมาใช่ค่ะเอเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทําอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าด่ากันอย่าว่ากันนะแล้วเธอไปด่าไปว่ากันเนี่ยแหมแล้วมันจะบรรลุได้งไงคุณโยมติวเนีออครับค่ะออแต่ถ้าเราบอกว่าเออเธออย่าขโมยกันนะอย่าฆ่ากันนะเออเราไม่ขโมยเราไม่ฆ่าเอออย่างนี้แมมเขาท่าหน่อยค่ะอื ออเชื่อฟังคําสอนใช่ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนคุณเจ้าวางอย่างนี้จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ไม่นานไม่เกินเจ็ดเดือนอจะทําให้แจ้งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ใช่ใชที่สุดแห่งกา ร, รปฏิบัติอะไรที่ที่สุดคะ่ะพระอรันนิพพานนั่นแหละทีนี้อย่างสมมติในช่วงเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยนะฉันบางคนตั้งเป้าว่าโอ๊ยเจ็ดวันวเหรออ๋ ของฉันนานๆหน่อยอาจจะเจ็ดเดือนในช่วงเจ็ดเดือนนี้ถามว่าคุณทําเป๊ะอย่างที่พระเจ้าสอนไหมบอกว่าอย่าอย่าโกรธนะพอใครพูดอะไรไม่เข้าหูหนายโกรธละ่ะอ่าไม่ได้ละอย่างงี้ยะค่ะ <c oughs> อืมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเหเพียงว่ <c oughs> าจะทําให้ถูกค่ะ <c oughs> แต่ว่าความเข้าใจในความหมายแล้วนําไปปฏิบัติอือกั บ, <c oughs> ก, บาการมีสมาธิ แล้วเข้าใจโดยการมีสมาธิแล้นำไปปฏิบัติตางกันมคะเอ่อมันก็มาด้วยกันได้นะคือหมายความว่าบางคนเนี่ยฟังแล้วก็ใครครวญตามไปผู้รูเช้าใช้คำว่าพินิพิจารณาภาษาอังกฤษก็ reflect reflect on หรือว่าภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปัจเจเวขณะคือพิจารณาตามไป อ, ะอ่ะพิจารณาตามไปก็ได้เหมือนกันหรือบางคนไปทาจิตให้เป็นสมาธิก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะค่ะ ด้วยจิตที่เป็นสมาธิใครที่กําลังละล้าละลังเป็นห่วงเป็นใยอะไรแล้วห่วงแล้วทุกข์ด้วยเพราะเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ลองเอาในสิ่งที่ท่านพิบูลได้สอนนะคะว่าอาทิฉันก็ประทับใจนะคะที่บอกว่าเออถ้าเกิดคุณตายไปเนี่ยคนอยู่ข้างหลังเขาทำอะไรได้ไห ม, อ, ม, อ, มอันนี้ไม่ใช่พูททวจจัจนะก็จริงใช่ไหมเป็นพุ้ทวัจนะปะคะเป็นมรณสติที่พระเจ้าให้เราได้กิงอ๋อค่ะนะค ะ, นะคะเอาไปใช้ก็แล้วกันนะคะ วันนี้คิดว่าเราได้ของฝากจากพระอาจารย์ไพบูลแล้วละ่ะค่ะก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านไพบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดินผ่านค่ะในส่วนของศูนย์พักพิงเดีนน๋ยวนี้ขอใช้เวลาสั้นๆพูดเองว่าทางวัดป่าดอนไหส่เนี่ยค่ะก็เห็นว่ามีคนเดือดร้อนกันเยอะแล้วในศูนย์อพยพที่ไปไปกันนั้นก็อาจจะไม่มีแบบที่ทางวัดเปิดนะคะก็คืออยู่ภายใต้ ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในสถานที่ที่มีการสอนการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเป็นหลักสูตรมาตรฐานเลยทุกเดือนท่านจะไปเข้าหลักสูตรก็ได้ไม่เข้าหลักสูตรก็ได้นักถือศาสนาใดก็ได้นะคะทางวัดรับหมดตอนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าจํานวนมากที่สุดที่คิดว่ารับต่อไปไม่ได้นีก็คือเกินห้าร้อยแต่ตอนนี้ก็ยังไปก็ไม่มากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ไกลก็จึงประกาศให้ทราบ เผื่อท่านคิดว่าเอาละงานก็นทำไม่ได้นะคะชีวิตก็ใช้ไม่สะดวกปฏิบัติ ท, ท่าสักทีก็ดีเหมือนกันอยู่ใกล้วัดสักทีก็ดีเหมือนกันก็ไปกันนะคะโทรศัพท์ไปที่คุณหมอต้อยหรือคุณสุภาพ0ูนย์4 6 4 7 1้าาสี่หเจดหนึ่งสำหรับรายการสัญญาีสนทนาของเรานะคะเราเน้นให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงพุทธว จ, จะนะเพราะพระพุทธองค์ตรัสใช่คะถ้าปฏิบัติอยู่อย่างที่ สอนคือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้แล้วก็ยังถ่ายทอดกันมาถึงทุกวันนี้ในพุท้ทวจระเนี่ยค่ะก็จะเกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์คือฤทธิสดิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาปภงลำลูกกาคลองสิทธิ์ได้มอบหนังสือนะคะที่ไม่มีขายที่ไหนให้กับพวกเราเนี่ยวันละสามเล่มหนึ่งเล่มต่นึ่งท่านก็ข อ, อกันมาที่ศูนย์สองสหกศูหรือว่าท่านจะส่งคําถามมาที่นี่ก็ได้ เช่นเดียวกับพระส่งตรงไปที่ท่านเพบูยวนะคะเพียวธรรมะ .com/106 วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะหวังว่าพุทธวจะนะนั้นจะนำความสวัสดีมาให้กับท่านที่นำมาไปปฏิบัติกันทุกคนคะ่ะพุทธสวัสดีคะ่ะ